ธรรมบทแปลเรื่องที่122เรื่องพระนางรูปะนันทาเทีรีภาคที่หเรื่องที่หของวรที่11ชาราวัคคะวรนน า, นาข้อความเบื้องต้นประศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจดวันทรงปรารบพระนางรูปะนันทาเทีรีซึ่งเป็นนางงามในชนบท ตัดพระธรรมเทศนานี้ว่าอัตที่นางนครังกะตังเป็นต้นตอนพระนางรูปานันธาทรงผนวดได้ยินว่าวันหนึ่งพระนางรูปานันธานั้นทรงดำริว่าเจ้าพี่ใหญ่ของเราสละสิริราชสมบัติออกผนวดเป็นพระพุทธเจ้าผู้อัครบุคคลในโลก แม้อรสของพระองค์ทรงนามว่าราหุลกุมารก็ผนวชแล้วแม้เจ้าพี่ของเราคือพระนันทะก็ผนวชแล้วแม้ประมารดาของเราก็ทรงผนวชแล้วเมื่อคณะพระญาติมีประมาณเท่านี้ทรงผนวชแล้วแม้เราจะทําอะไรในเรือนจกผนวดบ้างประนางเสด็จเข้าไปสู่สํานักภิกษุณีทั้งหลาย แล้วทรงผนวดพระนางทรงผนวดเพราะสิเนหาในพระญาติเท่านั้นหาใช่เพราะศรัทธาไม่แต่เพราะพระนางเป็นผู้มีพระโชมอันวิไลจึงปรากฏพระนามว่ารูปปันำธาตอนพระนางไม่เข้าเฝ้าพระศาสดาเพราะเกรงถูกตําหนิพระนางได้ทรงสดับว่าได้ยินว่า พระสัสดาตรัสว่ารูปไม่เทียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เทียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงไม่เสด็จไปเผชิญพระพักพระสัสดาด้วยสงเกลงว่าพระสัสดาจะพึงตรัสโทษในรูปแม้ของเราซึ่งน่าดูน่าเลื่อมใสยอย่างนี้ตอน ชาวนครนิยมฟังธรรมชาวพระนครสาวัตถีถวายทานแต่เช้าตรู่สมาทานอูโบสดแล้วห่มผ้าสะอาดมีมือถือของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นในเวลาเย็นประชุมกันฟังธรรมในพระเจดวันแม้ภิกษุณีสงฆ์ผู้เกิดฉันทะในพระธรรมเทศนาของพระศาสดา ก็ยอมไปวิหารฟังธรรมชาวพระนครสาวัตถีเหล่านั้นครั้นฟังธรรมแล้วเมื่อเข้าไปสู่พระนครก็กล่าวแต่คุณคาถาของพระศัสดาเท่านั้นเข้าไปตอนความเลื่อมใสของบุคคลสี่จำพวกจิงยูจำพวกสัตว์ในโลกสันนิวาตซึ่งมีประมาณสี่จำพวก ที่เห็นพระตถาคตอยู่ไม่เกิดความเลื่อมใสมีจำนวนน้อยนักด้วยว่าจำพวกสัตว์ที่เป็นรูปประมานิกาคือถือรูปเป็นประมาณเห็นพระเสรีระของพระตถาคตอันประดับแล้วด้วยพระลักษณะและอนุปยนชนะมีพระชวีวันดุดทองคำย่อมเลื่อมใสจำพวกโคศปรามานิกา คือถือเสียงเป็นประมาณฟังเสียงประกาศพระคุณของพระศาสดาซึ่งอาศัยเป็นไปแล้วตั้งหลายร้อยชาติและเสียงประกาศพระธรรมเทศนาอันประกอบด้วยองค์8คืออัดถังขิกระมักย่อมเลื่อมใสแม้จำพวกรูกขับประมาณิกาคือถือการปฏิบัติเศร้าหมองเป็นประมาณ อาศัยความที่พระองค์เป็นผู้เศร้าหมองด้วยปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นย่อมเลื่อมใสแม้จำพวกธรรมประมาณิกาคือถือทำเป็นประมาณก็ย่อมเลื่อมใสว่าศีลของพระทศพลเห็นป่านนี้สมาธิเห็นป่านนี้ปัญญาเห็นป่านนี้พระผู้มีพระภาคผู้เสมอไม่ได้ไม่มีผู้เสมอเท่า หาผู้เสมอเหมือนมิได้ไม่มีผู้ทัดเทียมด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเมื่อชนเหล่านั้นพนานาคุณของพระตถาคตอยู่ปากไม่เพียงพอตอนพระนางรูปานันทาเถรีเข้าเฝ้าทรงสดับธรรมพระนางรูปานันทาได้สดับคำพนานาคุณของพระตถาคต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 พระนางจึงตรัสบอกแก่พวกภิกษุณีว่าวันนี้ฉันจะไปสู่ที่ฟังธรรมพวกภิกษุณีมีใจยินดีว่านานนักหนาการที่พระนางรูปปันทาทรงมีพระประสงค์จับเสด็จไปสู่ที่บำรุงพระศา ส, สดาเกิดขึ้นแล้ววันนี้พระศา ส, สดาทรงอาศัยพระนางรูปปันทานี้แล้ว จากทรงแสดงพระธรรมเทศนาอันวิจิตดังนี้แล้วพาพระนางออกไปแล้วตั้งแต่เวลาที่ออกไปพระนางทรงดํารีว่าเราจะไม่แสดงตนเลยตอนพระสัสดาทรงแสดงธรรมแก่พระนางพระสัสดาทรงดํารีว่าวันนี้รูปานันทาจากมาที่บำรุงของเรา ธรรมเทศนาเช่นไรหนอแลจากเป็นที่สบายของเธอทรงทำความตกลงพระไถว์ว่ารูปะนันทานั่นหนักในรูปมีความเยื่อใ ย, ยในอัตภาพอย่างรุนแรงการบรรเทาความเมาในรูปด้วยรูปนั่นแลเป็นที่สบายของเธอดุดการบ่งหนามด้วยหําฉะนั้นในเวลาที่พระนางเข้าไปสู่วิหาร ทรงเนรมิตหญิงมีรูปสวยพริ้งผู้หนึ่งอายุราวส6กปีนุ่งผ้าแดงประดับแล้วด้วยอาภรณ์ทุกอย่างถือพัดยืนถวายงานพัดอยู่ในที่ใกล้พระองค์ด้วยกำลังพระฤทธิ์ก็แลพระสัสดาและพระนางรูปานันธาเท่านั้นทรงเห็นรูปหญิงนั้นพระนางเข้าไปวิหารพร้อมกับภิกษุณีทั้งหลาย ทรงยืนข้างหลังพวกภิกษุณีถวายบังคมพระศาสดาด้วยเบญจางค้าปะดิษฐ์นั่งในระหว่างพวกภิกษุณีทรงแลดูพระศาสดาตั้งแต่พระบาททรงเห็นพระเสริระของพระศาสดาวิจิตแล้วด้วยพระลักษณะรุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะอันพระรสมีวาหนึ่งแวดล้อมแล้วทรงแลดูพระพักอันมีสิริดุจพระจันเพน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 พระนางมีจิตอันสิริโฉมแห่งสริรยรัประเทศทั้งหมดดึงดูดไปแล้วว่าแม้ผมของหญิงนี้งามแม้หน้าผากก็งามดังนี้ได้มีเนหาในรูปนั้นอย่างรุนแรงประศัสดาทรงทราบความยินดีอย่างสุดซึ้งในรูปนั้นของพระนางพอเมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงทรงแสดงรูปนั้นให้ลวงภาวะของผู้มีอายุ16ปีมีอายุราว20ป่ปีพระนางรู ป, ปัญันธาได้ทอดพระเนตรมีจิตเบื่อหน่ายหน่อยหนึ่งว่ารูปนี้ไม่เหมือนรูปก่อนหนอพระสัสดาทรงแสดงความแปลเปลี่ยนเพศของหญิงนั้นโดยลำดับเทียวคือเพศหญิงคลอดบุตรครั้งเดียว เพศหญิงกลางคนเพศหญิงแก่เพศหญิงแก่คร่ำค่าแล้วเพราะชราแม้พระนางก็ทรงเบื่อหน่ายรูปนั้นในเวลาที่สุดโสมเพราะชราโดยลําดับเหมือนกันว่าแม้รูปนี้หายไปแล้วหายไปแล้วครั้นทรงเห็นรูปนั้นมีฟันหักผมงอกหลังโกงมีส่โครงขึ้นดุดกรอน มีไม้เท้ายันข้างหน้างกงันอยู่ก็ทรงเบื่อหน่ายเหลือเกินลำดับนั้นพระสัสดาทรงแสดงรูปหญิงนั้นให้เป็นรูปอันพญาธิครอบงำในขณะนั้นเองหญิงนั้นทิ้งไม้เท้าและพัดใบตาลร้องเสียงข่อมลงที่ภาคพื้นจมลงในมูดและกรีดของตนกลิ้งเกลือกไปมา พระนางรูปนันันธาทรงเห็นหญิงนั้นแล้วทรงเบื่อหน่ายเต็มทีพระสัสดาทรงแสดงมรณะของหญิงนั้นแล้วหญิงนั้นถึงความเป็นศพผองขึ้นในขณะนั้นเองสายแห่งหนองและหมู่นอนไหลออกจากปากแผลทั้ง9้าฝูงสัตว์มีกาเป็นต้นรุมแย่งกันกินแล้วพระนางรูปนันันธา ทรงพิจารณาซากศพนั้นแล้วทรงเห็นอัตภาพโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงว่าอิ่งนี้ถึงความแก่ถึงความเจ็บถึงความตายในที่นี้เองความแก่ความเจ็บและความตายจากมาถึงแก่อัตภาพแม้นี้อย่างนั้นเหมือนกันและเพราะความที่อัตภาพเป็นสภาพอันพระนางทรงเห็นแล้วโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงนั่นเอง อัธพาพนั้นจึงเป็นอันทรงเห็นแล้วโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาทีเดียวลำดับนั้นพบทั้งสามปรากฏแก่พระนางดุดถูกไฟเผาล่นแล้วและดุดซากศพอันเขาฝูกไว้ที่พระสอจิตมุ่งดิ่งต่อกรรมฐานแล้วพระศาสดาทรงทราบว่าพระนางทรงคิด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 อาตุรังอสุจิงปูติงปัสสะนันเดสมุตสยังอุครันตังปักครันตังพาลานังอภิปัตติตังอย่าท่าอิดังตท่าเอตังยาท่าเอตังตท่าอดังทาตุโยสุญยโตปัสสะมาโลกังปุณราคมิพรเวชันดังวิราเชตวา อุปรสรรตาจริสซี่ตินันทาเธอจงดูกายอันกำยกยกขึ้นอันอาดูนไม่สะอาดเปื่อยเน่าไหลออกอยู่ข้างบนไหลออกอยู่ข้างล่างที่ผ่านชนทั้งหลายปรารถนากันนักสรีระของเธอนี้ฉันใดสรีระของหญิงนั่นก็ฉันนั้นสรีระของหญิงนั่นฉันใด สรีระาของเธอนี้ก็ฉะ น, นั้นเธอจงเห็นธาตุทั้งหลายโดยความเป็นของศูนย์อยา ก, กลับมาสู่โลกนี้อีกเธอคลี่คลายความพอใจในพบเสียแล้วจะเป็นอุปสันตะบุคคลเที่ยวไปตอนพระนางนันทาสำเร็จโสดาปติผลได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงปรารบพระนางนันทาภิกษุณี ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแลพระนางนันทาทรงส่งยานไปตามกระแสะพระเทศนาบรรลุโสดาปิตผลแล้วตอนพระศาสดาทรงแสดงวิปัสนาลำดับนั้นพระศาสดาเพื่อจะตรัสสุญญากรมฐานเพื่อต้องการอบรมวิปัสนา เมื่อมรักผลทั้งสามยิ่งขึ้นไปแก่พระนางจึงตรัสว่านันทาเธออย่าทำความเข้าใจว่าสาระในสรีระนี้มีอยู่เพราะสาระในสรีระนี้แม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่มีสรีระนี้อันกรรมยกกระดูกส0 0ร้อท่อนขึ้นสร้างให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลายดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่าอธินางนาขรังกะตังมังสะโลหิตะเลปนังยัตถจราจมัตจุจะมาโนมัคโคจะโอหิตโตติสรีระอันกรรมทำให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลายชาบด้วยเนื้อและโลหิตเป็นที่ตั้งลงแห่งชรามรณะ มานะและมัคขะตอนแก้อัดเหนือความแห่งพระคาถานั้นว่าเหมือนอย่างว่าชนทั้งหลายให้ยกไม้ทั้งหลายขึ้นเป็นโครงเอาเถาวัลย์ผูกแล้วฉาบด้วยดินเหนียวทำให้เป็นเรือนภายนอกกล่าวคือนครเพื่อประโยชน์แก่การตั้งพพพันชาติและอาภรญชาต เป็นต้นลงฉันใดแม้สรีระนี้ที่เป็นไปในภายในก็ฉันนั้นอันกรรมยังกระดูกสามร้อยท่อนให้ยกขึ้นแล้วทำให้เป็นนครอันเส้นเอ็นรึงรัดไว้ชาบทาด้วยเนื้อและโลหิตหุ้มห่อด้วยหนังเพื่อประโยชน์แก่การตั้งลงแห่งชราซึ่งมีความสุดโสมเป็นลักษณะแห่งมัจจุ ซึ่งมีความตายเป็นลักษณะแห่งมานะซึ่งมีความเมาเพราะอาศัยความถึงพร้อมด้วยความระหงเป็นต้นเป็นลักษณะและแห่งมักขะมีการทำกรรมที่เขาทำดีแล้วให้ชิบหายเป็นลักษณะเพราะอาพาธอันเป็นไปทางกายและทางใจเห็นป่านนี้นั่นแลตั้งหลงแล้วในสรีระนี้ นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรๆที่เข้าถึงความเป็นของจะพึงถือเอาได้ในการจบเทศนาพระนางรูปะนันทาเถรีได้บรรลุพระอรหัตผลพระธรรมเทศนาได้เป็นคาถามีประโยชน์แก่มหาชนแล้วดังนี้แลเรื่องพระนางรูปะนันทาเถรีจบ